วิตกะทุกะสปัจยวาระหนึ่งปัจยานุโลมหนึ่งวิพังวาระเหตุปัจใจร้อยสิบสภาวธรรมที่มีวิตกทำสภาวธรรมที่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจใจมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจาวะระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตสมุฐานรูปทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตัตารูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะกระตัตารูปทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหาไทยวัตถุ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 ธรรสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สมปยุทธขันธ์ทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่มีวิตกธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นแม้ในปฏิสนธิว่ามีสองวาระสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สัมปยุทธขันธ์และจิตตสมุทนานรูป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 แม้ในปฏิสนธิการก็เหมือนกับประวัติการนั่นเองร้อยสบอสภาวธรรมที่มีวิตกทำสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกให้เป็นปจันปจ 1, ปปจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีวิตกและทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองขันสามทำขันหนึ่งที่มีวิตกและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง ในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกธรรมสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตตส ม, มตุทฐานรูปทำขันที่มีวิตกและทำวิต ก, ตกหตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีวิตกและทำวิตกและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิตกทำขันที่มีวิตก และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะมีสามวาระแม้ในปฏิสนธิสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกทำสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทารูปทำขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สอง ขันสามทำขันหนึ่งที่มีวิตกวิตกและอาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุฐานรูปทำขันที่มีวิตกและทำวิตกและมาหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและวิตกทำขันหนึ่งที่มีวิตกและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะหนึ่งปัจจญานุโลม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 เพราะในเหตุปัจจัยพึงเพิ่มเป็นเก้าวาระพึงกําหนดว่าเป็นเหตุถูกะมีเพียงสามวาระเท่านั้นพึงยกโมหะขึ้นแสดงวาระก็เหมือนกับเหตุปัจจัยในปฏิจจวาระนั่นเองปัญจวิญญาณเป็นสภาวะธรรมพิเศษโมหะและวิตกก็พึงยกขึ้นแสดง 2. ปัจจะยปัจจนียะ 2. สังคยาวาระร้อิบส ณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระและถึงณอุปาินียปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีเ้าวาระณอาศวนปัจจัยมีเ้าวาระนกรมมปัจจัยมีสี่วาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมี9วาระณสมบยุตรปัจจัยมีสมวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนาติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้แ7ิ วิตกะทุกะห้าสังสัทธวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจใจร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดรกนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกนกับขันหนึ่งที่มีวิตกและถึงเกิดรกรกับขันสองในปฏิสนที่ขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก เกิดรกรควงกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่วิตกเกิดรกควกับขันที่มีวิตกในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดระคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและวิตกเกิดรกรควงกับขันหนึ่งที่มีวิตกและถึงเกิดรกคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก เกิดระกคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดระกคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกและถึงเกิดระกคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดระกคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ซัมปยุจัขันเกิดระคนกับวิตกในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดระกคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตก เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สมเกิดรักคนกับขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและรักคนกับวิตกและถึงเกิดรักคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอัตปะติปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบ สภาวธรรมที่มีวิตกเผื่อละคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะน่เหตุปัจจัยพึงเพิ่มเป็นหกวาระอย่างนี้เหมือนกับอนุโลมพึงกําหนดว่าเป็นน่เหตุกะมีเพียงสามวาระเท่านั้นพึงยกโมหะขึ้นแสดงนะ่เหตุถูกปัจจัยมีหกวาระณนะอธิปติปัจจัยมีหกวาระณนะปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระณนะปัาจฉาชาตะปัจจัยมีหกวาระ นอาศวณปัจจัยมีหกวาระนาะคัมะปัจใจมีสี่วาระนวิปากะปัจจัยมีหกวาระนะ า, า จ, จ า, นะาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนะมะฆ ะ, นะะปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระปัจญิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และจมปยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้ เสวิตตกะทุกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังกวาระเหตุตุปัจจัยสิบสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมยุติขันโดยเหตุตุปัใจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีวิตก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยเหตุตุปัจจัยได้ แ, แก่เหตุที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกและจิตตะสม Außerdem, ุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุ ท, ance, ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันวิตกและจิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุต <theories> ุป ja ัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิ ต, วตก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยร้อสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่มีวิตกขันที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพราะปรารบขันที่มีวิตกขันที่ไม่มีวิตกและวิตกยงเกิดขึ้นเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่มีวิตกขันที่มีวิตกและวิตกยงเกิดขึ้นร้อยสิบแปดสภาวธรรมที mm. ่ไม <my 's audience> ่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารหันตปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกแล้วพิจารณาฌานที่ไม่มีวิตกออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาผลพิจารณานิพานนิพานเป็นปัจจัยแก่มากที่ไม่มีวิตกผลและวิตกโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุมาทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ผุ ฟังเสียงด้วยที่ประสงท์ตถาตรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีวิตกด้วยเจโตปริยญาณอากาสา น, นายยนะาญัญญายาณะอากีนัญญาญตนะรูปายญาณะเป็นปัจจัยแก่จกักขบวิญญาณโพธพายญาณะและถึงขันธ์ที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณอุเพนิวาสานุสติญาณเนถากามูปะขยาน อนาคตังสายานและวิตกโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารบขันที่ไม่มีวิตกและวิตกขันที่ไม่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอรารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกออกจากมรรออกจากผลและพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัใจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรค ที่มีวิตกผลและอวชชาจิตโดยรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหะไทยวัตถุขันที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาจระจึงเกิดขึ้นโทมะนะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่ไม่มีวิตกและวิตกขันที่มีวิตกจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอรมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกออกจากมักแล้วพิจารณามักออกจากผลแล้วพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โครตรภูโวทานมักที่มีวิตกผลอวชนะจิตและวิตกโดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุขหาไทยวัตถุ ขันที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากรกความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นขันที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นเพราะปรารกขันที่ไม่มีวิตกและวิตกขันที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้น1้อสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีวิตกโดยอารมณปัจจัยได้แก่ เพราะปราลบขันที่มีวิตกและวิตกขันที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่มีวิตกและวิตกขันที่ไม่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่มีวิตกและวิตกขันที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นอธิปฏิปจัยร้ยยี่สิสภาวธรรมที่มีวิตก เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีวิตกโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาทิปติและสหชาตาทิปติอารมณาทิปติได้แก่เพราะทมขันที่มีวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันท์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตขันโดยอธิปติปั จ, จัยสภาวะธรรมที่มีวิตก เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ ม, มีวิตกโดยทีป่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่มีวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแฉ่วิตกและจิตตะสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่มีวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นสชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สามปรยุติขันวิตกและจิตตสโมทานรูปโดยอธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็น ป, จปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยท่ปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและาชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นิพพานเป็นปัจจัยแก่มากที่ไม่มีวิตกผลและวิตกโดยอธิปติปัจจัยผู้คนยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุขันที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้นชาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่จำปยุติขัน์ และจิตตสมถานรูปโดยทิปฏิปัจจัยเพราะทำขันที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแกสภาวะธรรมที่มีวิตกโดยทิปฏิปัปจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนารปติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกแล้วพิจารณาฌานออกจากมากแล้วพิจารณามรรค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 ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทำขันที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยทุตปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณารถติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจจัยแก่โคตระผูโวทานมรรคที่มีวิตกผลและวิตกโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลทำจากสุมาไทยวัตถุขันที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น เพราะธรรมขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีวิตกโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณตาธิปติได้แก่เพราะธรรมขันธ์ที่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะธรรมขันธ์ที่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตกจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำข AH ันที่มีวิตกและวิตกให้เป well ็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นร้อยี่สิสองสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่มีวิตกซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย สภาวะธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยจุติจิตที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปฏิจิตที่ไม่มีวิตกโดยนันตระปัจจัยอวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณห้าโดยนันตระปัจจัย ขันธ์ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่ไม่มีวิตกโดยอนันตราปัจจัยบริกรรมทุติยชานเป็นปัจจัยแก่ทุติยชานโดยอนันตราปัจจัยบริกรรมตติยชานละถึงบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายาตนะบริกรรมที่ปัจจักขุบริกรรมที่ปโสทธาตุบริกรรมอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณภูเพนิวาสานุสติญาณ บริกรรมยถากะโมปัคคยานเป็นปัจจัยแก่ยัถากะโมปัคคยานบริกรรมอนาคตังจยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังจยานโดยอนันตรปัจจัยโคตระภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกววทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่ไม่มีวิตกโดยอนันตรัปปัจจัยสภาวะธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตก โดยอนันตรปัจจ mm ัยได้แก่ขันที่มีวิตกซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกและวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยร้อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่วิตกที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยขันที่ไม่มีวิตกซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยนันทระปัจจัยมรรคที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกผลที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกและถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระาสมาบัติที่ไม่มีวิตกโดยนันทระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีวิตกโดยนันทระปัจจัยได้แก่ ขันที่ไม่มีวิตกเสื่องเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกเสื่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยจุติจิตที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่มีวิตกภวังก้าจิตที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตขันที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่มีวิตกโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตก โดยนันตระ um. ปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกและวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยร้อยยีสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่มีวิตกและวิตกที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกที่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแห่วิตกที่เกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยจุติจิตที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแห่อุปติจิตที่ไม่มีวิตกและถึงอาวัชณะจิตและวิตกเป็นปัจจัยแห่วิญญาณหขันธ์ที่มีวิตกและวิตก เป็นปัจจัยแสวุฏฐานะที่ไม่มีวิตกโดยอนันตระปัจจัยบริกรรมทุติยชาและวิตกละถึงข้อความที่เขียนไว้ในเบื้องต้นก็พึงทราบโดยเหตุนี้อนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแสวงพราสมาบัตทที่ไม่มีวิตกโดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแสวสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมณันตระปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยชาชาติปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีก้าวาระอุปนิสยปัจจัยร้อยี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีวิตก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปัณิสยาอนันตะรูปัณิสยาและปะกะตูปัณิสยาปะกะตูปัณิสยาได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกโดยอุปาณิสยาปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกโดยอุปาเนสยปัจจัยร้อยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปานเนสยอันันตารูปานเนสยาและปะกะตูปานเนสยปาปะกะตูปานเนสยาได้แก่บุคคลอาศัยจัตตาที่ไม่มีวิตกแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกให้เกิดขึ้น ธรรมมักให้เกิดขึ้นธรรมอภิญยาให้เกิดขึ้นธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะและวิตกแล้วรำฌานที่ไม่มีวิตกมักอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่มีวิตกเสนาสนะวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกปรรัญญาสุขทางกายทุกทางกาย มรรคที่ไม่มีวิตกและพละสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจใจแห่งสภาวธรรมที่มีวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระเพิ่มเพิ่มอุปาณิสยปัจจัยเข้าในที่ทุกแห่งได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่มีวิตกวิปัสสนามรักอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้น มีมาณะเถอทิฐิอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกเสนาสนะและวิตกแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาที่ไม่มีวิตกเสนาสนะเรือวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีวิตกปัญญาราคะความปรารถนามักที่มีวิตกและพระสมาบัตโดยอุปเาเนจยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอุปาเนสยาปัจจัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกแล้วให้ทานพึงเพิ่มบทที่เขียนไว้ในทุติยวาระเข้าทั้งหมดทำสมาบัตดให้เกิดขึ้นมีมา n ะถือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาเสนาสนะและวิตกแล้วให้ทานฆ่าสัตว์ทำลายสง์ศรัทธาที่ไม่มีวิตกเสนาสนะและวิตก เป็นปัจจัยแก่งศรัทธาที่มีวิตกปัญญาราคะความปรารถนามักที่มีวิตกพะะสมาบัติและวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัยร้อยสบเจสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ขันที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกและวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยร้อยยี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นวิตกจงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุโภถพายาณนะเป็นปัจเจคกายวิญญาณวัตถุบุเรชาตะได้แก่ ากายายัตนะเป็นปจัจจัยแก่จักรวิญญาณกายายัตนะและถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาติได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นขันที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นวัตถุบริจาตะได้แก่หาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีวิตกโดยบรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยบรชาต์ปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นขันที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นวัตถุบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่มีวิตกและวิตกโดยบุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจร้อยยี่สบเก้าสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจเมีย้าวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นร้อยสามสิบสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยกรรมปัจใจมีสองอย่าง สก ช, ชาตะและนานาคณ น, านกะสาชาตะได้แก่เจตนาที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันโดยคำะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณ น, านกะได้แก่เจตนาที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งมีวิตกโดยคำปัจจัยโดยในนี้จึงมีสีวาระเพิ่มเพิ่มทั้งสาชาตะและนานาคเ น, านกะ เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมี๕วาระเป็นปัจจัยโดยอาหาระปัจจัยมี๔วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยะปัจจัยมี๔วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมี๖วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมี๖วาระเป็นปัจจัยโดยสำยุตตปัจจัยมี6วาระรสเอดสภาวธรรมที่ม <passe> ีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยวิยุตตปัจจัยมีสองอย่าง คือชาชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยวิบิยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยวิบิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปุเรชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาติได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมบยุญัติขันโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาติได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมบยุญัตขันโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างเภสะชาตะและปัจฉาชาตาย่ออธิปัจจัยเป็นต้นร้อยสามสิบสองสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยเหมือนขปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อ ส, ส, สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหช า, าตะได้แก่วิตกเป็นปัจจัยแก่สัมมยุตขันธ์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะวิตกเป็นปจัจจัยแฝสัมพยุทธขันและประ ต, ตารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมพยุจฉาขันโดยอธิปั จ, จัยปุเรชาตาได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น วิตกและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแห่วิตกและสัมปยุตตขันโดยอธิปัจจัยร้อยสาสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปจัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่มีวิตกและวิตกเป็นปจขขัจจัยแห่ขันสามโดยอธิปัจจัย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 อาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันท์ที่มีวิตกและอาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะมีสามวาระปัจฉาชาตะได้แก่ขันท์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ไฟนิจเกิดก่อนโดยอัติปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีวิตกวิตกและเกวเริงกระาหารเป็นปัจเจกแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีวิตกวิตกและรูปชีวิตตินทรีย์เป็นปัจเจยแก่ขตั้ตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือจัชาตะและปุเรชาตะ สหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแข่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธ bon ิปัจจัยและถึงขันสองสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่มีวิตกและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันสามและวิตกโดยอธิปัจจัยและถึงขันสองแม้ในปฏิสนธิขณะก็มีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อยสาเฮตุปัจจัย ม, มีสีวาระอารามณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระอานันตระปัจจัยมีก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีก้าวาระสหชาตปัจจัยมีก้าวาระ อัญญะมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปะนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอายเสนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสีวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหาราปัจจัยมีสีวาระอินทรียปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระ มัคคปัจจัยมีเก้าวาระสามยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิขตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิขตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัญญายุทธาร้อยสสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตก โดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิชยปัจจัยและกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิชยาปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัย โอปนิเสียปัจจัยและกรรมปัจจัยสามสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิเสียปัจจัยโบเรชาตปัจจัยปัจชาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยมหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจใจแห่งสภาวธรรมที่มีวิตก โดยอรรถเนปปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิเสียปัจจัยและบรเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอรรถเนปปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิเสียปัจจัยและบรเอชาตปัจจัยร37สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแขกสภาวธรรมที่มีวิตกโดยอรรถเนปปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาเสสยปัจจัยและปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาินสยปัจจัย สองปัิยปัจญิยะ 2. สังขยาวาระร้อยสาสิบนัเหตุกปัจใจมีเก้าวาระนัอรามณะปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระโนอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะร้อยสามสิานัอรมณปัจใจเขเพตกปัจใจมีสี่วาระและถึง นสมณันตระปัจจัยมีสี่วาระนะอัญญามัญญาปัจจัยมีสองวาระนะอุปาณิยะปัจจัยมีสี่วาระละถึงนะสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนะวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนนาทิปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตะปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจญยะปัจจนญญาณุโลมร้อยสี่สิบ อารามณะปัจจัยกับนเหตุปัจจใจมีฆาวาระละถึงอธิปติปัจจใจมีฆาวาระพึ่งขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิดารณละถึงอวิคตะปัจจใจมีฆาวาระสวิตกะทุ ก, กะจกแบแปสวิจาราทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระร้อสี่อดสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิจารณเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึงทำทุกกะนี้ให้เหมือนกับสวิตตะกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันมรรคปัจจัยในทุกกะนี้พึงเพิ่มเป็นสี่วาระในสวิจาระทุกกะมีข้อแตกต่างกันเท่านี้สวิจารทุกกะจบ